เราได้ฟังในสิ่งที่เราได้ทำเราได้ทำในสิ่งที่เราได้พูดของพ่อก็จะพูดสบายไม่ได้คิดหาจามาเหมือนกับเล่าในยายจะพูดในเรื่องที่กรรมฐานอัน็งนงานที่เรากาลังทาอยู่โดยเฉพาะในช่วงนี้พอเราก็กำลัง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 ให้กรรมมันจะแน่ตัวเองผลของกรรมมันจะเกิดเกิดขึ้นอนวิชากรร ม, มฐานเป็นวิชาที่สมบูรณ์จะเป็นวิชาที่สัมผัสได้โดยตัวเองไม่ใช่ให้จำเอาเอาอะไรสัมผัสเอากายสัมผัสกับความรู้สึกตัวแล้วก็ให้ รู้จริงๆแยากไปคิดใหลกายสัมผัสกับสติมือวางไว้ที่กายนั่นก็เราทำอยู่ยกมือขึ้นก็รู้วัตถุที่รู้ก็มียกขึ้นก็รู้วัตถุที่รู้ก็มีรู้จริงๆไม่ต้องหลอกเคลื่อนไหลไปมารู้ไปพร้อมๆกับกายที่เราเจตนาสร้างเป็นอดีต การีบที่จําเป็นต้องสราบจะไปคิดเอาไปได้ความรู้สึกตัวต้องสัมผัสแล้วคนอื่นก็บอกไม่ได้เสีด้วยเราต้องสัมผัสตัวเองต่อเอาเองเอากายไปต่อเอาความรู้สึกไม่ใช่ไปจําเอาไปเอาเหตุเอาคนเอากายไปต่อเอาความรู้สึกตัวให้มีความรู้สึกไปพร้อมๆกับกายที่เคลื่อนไหว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 นอกจากสติที่เราเจตนาสร้างบางอย่างมันไม่ใช้เจตนามันเกิดขึ้นมาแสดงหน้าเราเช่นความคิดบ้างความงอแงอาหอนอนบ้างไม่ใช่ไหนแต่พอใดยังคิดตุ่งตากดยังง่วงเอาหอานอนอยู่ก็แสดงว่าถูกทางแล้วถ้าใดหลับนิ่งไม่รู้สุตนาไม่ใช่ทาง กรรมาฐานที่เราสอนกันไว้นี่เป็นวิปัจนากรรมฐานยกกิจขึ้นรู้สึกตัวไม่ต้องการให้เกิดความสุบและไม่ต้องให้นั่งหลับตาต้องขยันลู้การขยันลูกก้เขาเรียกว่าภาวนาขยันลู้ให้มากว่ายังไม่มีวิธีให้ตั่งหับตานี่งขยันรู้รู้เอารู้เอา เห็นเราเดินอยู่เอชั่วโมงหนึ่งประมาณจักเดินพอดีพอดีนะไม่ช้าเดินไปนไม่ไวเดินไปประมาณจักสามพันขัวเก้าถต่ลงูกเก้าก็ได้ทั้งสามพันขั้วลู่การจ้างจังหวะนี่ประมาณกันตัดสร้างพอดีพอดีหนึ่งลู่สองลู่สามลู่สิบสี่ลู่สิบสี่เวลาที ถ้าโมงแค่มงหนังก็ได้สามพันกว่าลูกแต่ถ้ามันไม่ตัวหลงก็เปลี่ยนเป็นตัวลู่ต้องเปลี่ยนมันนั่นแหละมันคิดไปลอยขึ้นลู่ทันมันลอยขั้งมันเกิดอะไรที่ไม่ใช่กายที่เรากําหนดมันหลงไปก็เปลี่ยนเป็นตัวลู่ไม่เสียไม่ผิดยังไม่ถือว่าผิดนะแต่ถ้าคิดไปไปกับความคิดอันนันผิดแท่แต่มันคิดไปใดก็ลู่ทันกลับมาให้เป็น นักปฏิบัติจะเด่นอยู่ที่การลู่จับล ก, จกลับมาการรู้จักกลับมากําหนดกายที่เราตั้งไว้รีบทที่เราตั้งไว้ไม่ออกไม่ออกไปไม่นี้ไปนั่นแหละคือปฏิบัติ์ทะยันลู่เรียกว่าภาวนาตรงนี้สําคัญถ้าทาจุดนี้ไม่เป็นก็เนิ่นช้าเสียวเวลาแต่ทําทจุดนี้เป็นจะจับหลักได้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 เราก็ไม่เลยเขากแก้ให้ได้จับรอยที่เราดั้งเดิมการเจริญสติสมั่กันเห็นหละนิพจ ท, ที่เราสร้างสำหนลดลู่ลู่ตัวนี่หละไม่มีอะไรที่จะมาโบเกิดมาเปลี่ยนได้ง่ายง่ายเปลี่ยนเป็นตัวลู่เปลี่ยนได้ไม่ยากเมื่อกันไล่โยงไล่โยงต้องมีวัตถุต้องมีมือ ต้องไปเอาไปไล่จริงๆริริยาที่ไล่ก็ต้องออกแรงแต่ถ้าการเจริญปตินี่ถ้าเปลี่ยนเป็นตัวรุนไม่ต้องออกแรงยิ่มในน้อยก็ะดับเช่นเวลาได้บันคิดหัวเระยอะมันก็ะดับอย่าไปถึงกับเครียดโอ้ผิดแล้วโอ้ถูกแล้วเอออย่างนี้ใช่ได้เอออย่างนี้ผิดไม่เอาไม่เอาไม่ใช่เมื่เอาจะไปเอาคิดเอาถูกหรือไม่ใช่ปฏิบัติ ป, ฏ, ตปฏิบัติต้องทําตรงตรง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 ท่านนันจะไม่ถูกนะวันนีมันจะปลอมปลอมมาเป็นความรูป้ปลอมมาเป็นความสุขยิ่งพวกเราทุกวันนี้นะมีครูบาอาจารย์พูดกนะันนากเรื่องอารมณ์ของกรรมฐานเราก็คิดอยากจะให้เป็นเหมือนท่านจะเห็นเหมือนท่านเป็นเรื่องรูปเรื่องนามก็มั่วจะไปคิดเด็ดลู่เรื่องรูปเรื่องนามเจริกลายเป็นกินแั่อย่าง ตายเป็นของลูกแบบคิดลูกไม่ต้องแต่เป็นอย่างไรก็ช่างมันลูกกับน้ำไม่เกี่ยวเวลาใดที่มันสมควรที่มันจะเกิดขึ้นมันค่อยเกิดขึ้นเธรรมชาติเป็นกฎของธรรมชาติไม่มีอะไรที่จะไปบ่งบอกหรือไปบังคับเราก็ทํำร้ายแต่ลูกจะไม่ลูกเพมันเป็นไรหล่ะเราคิดเมื่อขึ้นอยู่นี่เราก็ลูกแล้ว ลู่แล้วลู่แล้วเน่ยลู่เป็นคข้างเป็นข้างไปไม่ใช่ลู่แบบตามอย่างที่หลวงพ่อสอนลู่เป็นครั้งรงบบาง ท, ง, งที่หนึ่งลู่เป็นข้างที่สองลู่ข้างที่สามไม่ให้นับแต่แลู่เป็นข้างเป็นข้างเป็นข้างหลังจาเราเอาเบอร์ข้ออย่างนี้ลู่ลูล่ลู่อย่างนี้ไม่ใช่ลู่แบบตามถ้าลู่แบบตามจะกลายเป็นสมาธิถ้าจะเหนื่อยมา <S <S มกถ้จะง่วงนอนจะเครียดอัดแน่น ใ้าทำไม่ถูกถ้าทํำถูกเลยโอ้ยสบายยเงียบแจ่มใสทํำเท่าไหร่ก็ไม่เบียดเหนื่อเลยสนุกเวลาอะไรที่มันหลงคิดก็ยิ่งอ่าเข้าใจยิ่งเห็นยิ่งเห็นขโมยถ้าจะว่านั่นตัวหลงคิดเนี่หลวงพ่อตั้งชื่อว่าเป็นขโมยมามันมาดักหน้าทําให้เราหลงไปมันลักเอาความรู้สึกเราไป จะให้หลงไปกัวคนคิดเราก็ยิ้มเออหลงไปคิดเรื่องหนึ่งเท่ากับเราได้สอนเราถึบทเรียนเรื่องนึ่งได้บทเรียนอะไรที่มันหลงคิดไปหนะึ่งกลับมารูดสอนเราสอนตัวเราแล้วแต่มันหลงไปคิดไปไม่ได้กลับมารูดไม่ได้สอนตัวเลยก็เลยเป็นคนที่หลงง่ายที่จะหลง แต่ถ้าเราเปลี่ยนมันเป็นตัวลู่สอนเราต่อไปก็ง่ายที่จะลู่ถ <c oughs> ้าอย่างนี้มันก็พับพับเรื่องเสี่ยงเพราะฉะนั้นนี่ไม่เสียหายนะเวลาอะไรที่มันหลงคิดไปสบายสบายหัวเลาะความคิดตัวเองก็ได้ที่มันนอกจากความรู้สึกบทเรียนทั้งนั้นมันมาบอกให้เราว่ามันอยู่ตรงนั้น เป็นเวทนาความปวดท่วมธรรมดาการสร้างจะว่าเงินบเบาๆอายกมือนแขนหลงพื้นอย่างน้อยต้องสามสี่ห้ากิโลยกไปยกมาอาจจะปวดเป็นเวทนาต้นแขนบ้างต้นคอบ้างทาท่าจะคันเนื้อคันตัวเป็นไข้เป็นอะไรไปไม่เป็นไรเริ่มจากงานใหม่ๆก็เป็นธรรมดาเราจะไปหลงเป็นเวทนาให้เห็น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 นอนอะไรต่างๆไม่ต้องโอยเห็นหน้าเห็นตาเท่าแถวให้เราดูเห็นของจริงคือการปวดมารเมื่อยถูกแล้วเป็นคําสอนที่พระเจ้าได้บอกไว้แล้วอาญาหนกุกปัญนาเวทนานกุกปัญนาคือการปวดการเมื่อยของรูปการเป็นสุขเป็นทุกข์ของจิตใจที่เป็นนามเรียกว่าเป็นเวทนาแต่ความคิดมันก็มีอยู่จริงคนไม่ต่างยิ่งพวกเรา กลัวที่จะได้มาเข้ากรรมฐานมันเคยกิ น, นอะไรมาบ้างเป็นจริตนิจใยอะไรมาบ้างมันก็อาจจะหวนคิดไปเป็นระดีล้ำลึกแต่บางคนก็ง่ายๆมาตั้งแต่กำเนิดเกิดมาไม่ค่อยมีจิตใจบู๋วามผลผันพันแ์ล่น ไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์ไม่เป็นคนที่ อ, อกหัก อ, อกความเสีย อ, อกเียใจได้เสียอ า, าจจะหายแต่ถ้าผู้ใดบางทีอาจจะผิดพลาดผิดสินทุกสิน ท, ท, ทําบาปทากรรมอาจจะอาจจะคิดไปไม่เป็นไรแต่รู้ทีหนึ่งก็เระว่าตัดกรรมได้ถ้าหลงไปกับความคิดไปเป็นสุขไปเป็นทุกข์เสีย อ, อกเสียใจใดีอกดีใจ ก็ต้องเสียวเวลานี่คือความคิดความคิดเนี่ยของพ่อได้พูดตั้งแต่มื่เย็นวานนี่ว่ามันมีสองลักษณะความคิดัต่างคือตั้งใจคิดการตั้งใจคิดเนี่ยไม่มีใครอยากคิดอมันที่เกียจแต่ตัวลักคิดนี่มันเกิดขึ้นเองแล้วก็แล้วก็ให้แนวร่วมมันดีเกิดแต่หลงผิดไปอะไรต่างๆ เรื่องเก่าเรื่องอดีตบ้างเรื่องอนาคตบ้างจนบ้างมันจะวิ่งไปข้างหน้าหรือท่านบอกคนหนุ่มคิดไปข้างหน้าคนชราคิดคืนข้างหลังอาจจะเป็นทำนองนั่นก็ได้มันก็วิ่งไปข้างหน้าก็คิดคืนข้างหลังเราจึงมีอะไรบทอะีรบทนี่เพื่อให้เป็นปัจจุบันมันช่วยเราได้เยอะอะไบทยิ่ง มีเจตนาใส่ใจที่จะลูกน่ยโอ้ยเกีวทีเดียวพก็ว่ามีเครื่องมือสร้างตัวลูกได้อย่างงดงามทริบทการยกมือเสื่อนไวสัมผัส ด, ดูแ ล, แล้วนี่ยพ่อเป็นนักสแสวงธรรมฐถานเหมือนกันแต่ก่อนก็ทำแบบพุโทโธบริกรรมบางทีมัก็ทำให้ดควคมสงบใจไวยิ่งหับตายยิ่งบริกรรมเก็ดสบายมาก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 ถ้าเรามปความรู้จะไปหนึ่งวันสองวันนะก็ธรรมดาความรู้สึกกพัฒนาไปเรื่อยๆเหมื อ, อนันอาจารย์น่าลงโทดเมื่อเช้าเลยว่าคนเราปลูกมาเขือถ้ามะเขือได้ลงดินแล้วมันก็พัฒนาไปเรื่อยๆสแตกกิ่งก้านสาขาเติบตก่อผลการเจริญจิกกติก็เหมอนกัน แต่รู้ใจตัวเป็นมากว่ากว่กว่ากว่าส ต, ติตัวนี้มันก็พัฒนาพัฒนาไปหลายอย่างอันนั้นเรางพจะไม่พูดออกเราพูดเราคนเทียวเวลาเราก็พูดเองตอนที่เราเกิดอืมประสบการณ์กับตัวเราเราจะพูดได้แม่แต่หลวงพ่อพูดอย่างนี้ไม่ได้จำเลยธรรมชาติมันบอกให้พูดมันพาให้พูด เรื่องผิดมันก็บอกให้ว่ามันผิดเรื่องถูกก็บอกว่าเปนเรถูกไม่ได้คิดเลยสบายสบายการพูดธรรมเมอไม่ได้คิดหลอกบวงไขไม่ได้คิดของอะไรจากผู้ใดทั้งสิ้นพูดด้วยความเป็นจีโดยไม่ต้องกรวดแต่ได้นั่งขึ้นธรรมารเราไปเห็นญาติเห็นยมเห็นหน้ายาติ้าโ ย, ยมโอ้สบายก็แต่ถ้าพูดคนเดียวพูดไม่ได้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 มีคนเสมนค น, นหนคนไม่ได้คิดไปประเทศเสม็นเลไม่ได้ไปคนอยู่ไหนอยู่ที่ทั้งเมืองสามคนร้อยร้อยฝ่า ย, ายเขาก็บอกว่าไม่ไปไหนอยู่ที่เมืองนั่นทุกคนก็นมีความรู้สึกคนอยู่ที่นั่นไม่ใช่แต่ประเทศสละบหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยดย้วยพอื่อคุณหมอกุมารเป็นทํำไ ป, ไปทําปริยาเอกไปทําด็อกเตอร์เองก็คือความรู้สึเดียวกันยึงไม่ใช่ลัะทิ้ ไม่ใช่ในกายไม่ใช่ชาติไม่ใช่ศาสนาเป็นสากลต้นจะไม่สบายได้อย่างไรเพราะมันเป็นสากลของทุกๆคนต่อใครมีความรู้สึกตัวก็เป็นของคนอื้นแต่เรามีความรู้สึกตัวเรานั่งอยู่นี่แต่น้อยตั้งสี่รอยห้าร้อยชีวิตก็เป็นคนคนเดียวกันแต่ถ้าเราหลงเป็นคนลรคนกันทันทีร้ายอยากเพราะฉะนั้นจึงสติมันจึงพัดขนาด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 อะไรมันคิดอย่างลู่เนี่ก่อนที่ไปไปทําบาปทํากรร ม, มก็ต้องคิดก่อนลู่ตั้งแต่ต้นเหตของมันต้นลมของมันนั่นก็เป็นการรักษาสิสินก็ยึงบริสุทธิ์คนไปทําบาปไม่พูดชั่วไม่คิดชั่วไม่ทําชั่วมันบริสุทธิ์มาหนึ่งวันสองวันสามวันมันก็เกิดอะไรขึ้นตอนนั้นท่านจะตอบเองไม่อยากลู่มันก็ลู่ไม่อยากเห็นก็เห็นเห็นอะไรเห็นที่ สิ่ที่เราทําอยู่นี่แหละเราไม่กายเคลื่อนไหวอยู่นี่เราดูดูกายผก็เห็นการสําหรับจิตไม่ต้องไปหาดูมันผุดขึ้นมาหเห็นอคอาคิดตัวคิดแต่ลรงพ่อคิดทต่เราพ่ อ, อ, อพูอ้หลักก็คือตัวคิดตัวรักคิดหลายคนก็คงไปเห็นวันนี้เห็นไหมเห็นมันคิดไหมเห็นจะเห็นไป ย, ยังไงไปถึงไหนบ้าง ไปถึงบ้านจะโยกคุมขอนเตียนไหมไม่ยังไม่ปั่ความคิดไปก็กลับมาได้ไม่ไปไกลเอาคืนมาได้เตียนมาเป็นตัวลูกสอนบ่อยๆสอนบ่อยๆก็ ง, ง่ายที่จะรูก้ก็อา ย, วยเวลาใดที่มันหลงคิดไปมันก็อายไม่กล้าคิดเหมืนมอนกับขโมยเมันอายเจ้าของบ้านแต่เป็นเด็กตัวเล็กๆมันก็อายถ้าเจ้าของบ้านอยู่มันไม่กล้าความคิดที่มันหลก มันก็ไม่กล้าเหมือนกันมันก็ไม่เป็นธรรมสิ่งที่เป็นธรรมก็ย่อมชนะอิสมุตไปเป็นความรู้สึกตัวนเป็นเป็นธรรมจริงๆเป็นที่เกิดของธรรมจริงเป็นกุศลอาจะโลดลูบโลดนานได้ภายในสี่สั้นวันก็ได้พอเราของจริงมาสอนกันให้เห็นเนี่ยมันเคลื่อนมันไหวอยู่นี่ดูไปดูมามันเป็นรูปอ่าเป็นรูปจริงๆ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 ก็เกิดอย่างเกิดปัญญาขึ้นมาทําให้เกิดทะลุต อ, ตอบได้เฉลยได้ได้คาตอบได้คำเฉลยเรียกปัญญยายย่างไม่ใช่รู้เรื่องเดียการเจริญสติกันรู้เรื่องกายเรื่องใจางงงบาปเครื่องบุญก็เกิดอยู่ที่นี่เรื่องความเป็นพระก็เกิดอยู่ที่กายที่ใจเรื่องความเป็นเปรตเป็นนิจุลกายเป็นสานรลกเกิดอยู่ตรงนี้ เราก็ดูเอาดูเอาธรรมาคนที่สร้างคนที่ดูเรก็เลือกให้ตัวถ้าเห็นหลวงพ่อก็พูดแบบภาษาหลวงพ่อหลังพ่อไม่ได้เล่าเรียนอะไรเลยเป็นเด็กทุ่งไร่ทุ่งนามาพบกับหลวงพ่อเทียนก็โชคดีไม่ต้องเสียเวลาไปศึกษาทีาา่อื่นทอมันเหมือนกันแล้วชีวิตสองไา้คำตอบหมดเรื่องกรรมฐานเรื่องสมถทานเรื่องวิปัสสนาเป็นอย่างไร เรื่องยานเรื่องฌานเรื่องมากเรื่องผลเป็นอย่างไงเรื่องศีลเรื่องสมาธิเป็นอย่างไงสัมปะตเองแ่ะเป็นเรื่องศีลก็ช่วยได้จริงศีลก็รักษาให้เราได้จริงสมาธิก็รักษาเราปัญญาก็รักษาเราสี่เลยนะจักกะจริงจริงสี่เลยนะพอก็สัมปทาสี่เลยนะนิพพานจริงเออสัมผัสแล้วจริงใคยลองดูใช่ได้ใช่ได้มีศีลแล้ว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 บางคนก็จะตอบได้แต่บางคนก็จะตอบไม่ได้แต่เราก็ตอบได้ไม่ได้ไปศึกษาเรื่องศึกษาอยู่ที่ไหนแต่เรื่องสติเดียวหนึ่งได้จริงจรบาปก็ละได้จริงจรอบายภูมิตัดได้จริงจริงับหลองร้อยเปอรเซ็ไม่ไปดูอวัยวุมไม่ได้เรียนรู้เรื่องสติสติตัวเดียวสติตัวเดียวเราจึงไม่หลไปทามกลางก็คือสติที่สุดก็คือสติ ที่สุภสติถ้าบริจาคต่อป่าอุดช่งกายังปริมุขขังแต่ เ, เตียงวัฏเพตตว่าผู้มีสติเป็นหน้าโลกเหมือนพิธีนาศกผู้มีสติเป็นวินัยสติเป็นทั้งวินัยพระธีนาศ ก, ก, ก็คือเป็นพระอรหันต์ผู้มีสติเป็นหน้าโลกผู้มีสติเป็นวินัยดูสิสตินี้ทําให้เกิดความเป็นพระอรหันต์ ดับปินเล็กละกินเลเป็นใรสิดขาเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นมรรคก็เราโดูดูภาวะที่ดูอย่างเนี้ยอะไรที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจมันลอดสายตาเราไปไม่ได้มันลอดจากความรู้สึกไปไม่ได้ความรู้สึกนังเป็นเป็นตาทิศจริงจริงไม่เหมือนกับตาเนื้อเห็นแม้กระทั่งมันคิด อะไรที่เกิดขึ้นกับตายกับใจไม่ไม่ผ่านความรู้สึกไปได้รู้เท่ารู้ทันจริงๆมันเป็นอย่างนั้นการจเจริญสติยังขยันเจ้นอาจารย์มิบมนท่านก็ขยันสิบสามปีตั้งแต่ท่านได้ป่าจับงานอันนี้ร้ายลูกร้ายองค์พระลูกสิบสลงพ่อเทียนสายงานหลวงพ่อเทียน มีความขยันขันแข็งไม่เห็นแต่ความยากลำบากจัดางานอบรมแต่ก่อนไม่มีม่หาสมไม่มีงานประกาศออกไปดิวให้ไปปฏิบัติที่นอนที่กูไม่มีเลยจะแบนหาเอา ข, อข่อนสวยคิดหาอาจารย์ตรงไหนไปเสียวเวลาบัดนี้พวกเราไม่ต้องเสียวเวลามาได้เลย จะสะดวกขนาดไห น, นลองพิจารณาดูแต่ ว, ว่าจะขอเ ร, เรื่องาอ า, าจารย์นิมนต์เพื่อน้อยครับกลัวที่จะเป็นอาจารย์นิมนต์มาอยู่ที่นี่ก็ไม่ใช่ เ, เรื่องง่ายสมัยเป็นท่านหนุ่มน้อยบวชใหม่ก็อ ย, อยู่กับหลวงพอ่อทุกยากลำบากอยู่ฝ่าสุกโตนแยงแหน่ให้ได้ชินแยงแหน่บ้างไม่บอกแยงแหน่ ต้มเหนียบต้มน้ำเหนียอถ้ามอาจารย์น้ำวนเอยมีน้ำปลาขวดเดียวเนี่ยอุ่นใจ ย, ม ย, ย, มยอมเลยอดอยากกินแจงเหนียบต่ำกักปัญญาบุญหนาเป็นคู่หมูมันรั่วไปไหนเกิดมิจากันไปจอยอินแจงเหนียสมบุกสมบูรณเดินขึ้น เ, เขาลงเขาวันละเที่ยวสองเทีเท่ยวอืเดี๋ยวนี้ ผลงานที่ท่านอุตทุกอย่างลำบากก็เลยอ้วนแม้แต่นักมวยที่ชกมามากเมื่อหยุดชกเราก็เลยอ้วนเห็นไหมกับรถบรรทุกมาพาพาบรรทุกตะกอนเขาจะมีใจเป็นนักมวยแต่นี่อ้วนร้อยกว่ากิโลเพราะสมบูรณ์สมดุลเป็นไงแต่นั้นนี่สบายเลยพวกเราอ่าได้เกียบพระพุทธเจ้าด้วยสมใจ พระเจ้าทั้งมาเกลืพวกเราโองเลยไปนั่งอยู่ใต้ต้นโพนะหาเพื่อนแค่คนเดียวไม่มีเลยบางทีสัตว์เลื้อยผานหมูอาจจะเลื้อยมาเสียงสัตว์ล่องก็ จ, จะมีเม็ดเปลียวอยู่คนเดียวแล้วไม่มีครูอาจารย์ก็ไม่เหวังกับพวกเราวันนี้อาจารย์ก็ไปเป็นเพื่อนเป็นครูผู้นําผู้บอกผู้สอนผาทำ มองไปทางไหนก็เห็นแต่เพื่อนแต่มิดขาวเทียบเฟืองหลัไปที่ไหนเปิดกลกอน้ำไหลเปิดไฟสว่างห้องน้ำห้องตว้เขาสดวกสบาแต่พระสมัยพุทธเจ้าคงไม่มีไฟป้าเแบบนี้ไม่มีกล้องวิดีโอแบบนี้ด้วยอาจจะเอาแสงไาทิตเอาแสงเดือนแสงดาวกั้งฟ้าประทําแล้วหลวงพ่อว่า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 เวลานาเราก็มีผ้าห่มหลวงพ่อเราอยู่กนตนยอย่างดีเลยมีผ้าห่มปูมันเตียงก็อย่างดีสบายนี่สะดวกทุกอย่างเราจะไปติดไปขัดไปหล้องอะไรอยู่พองเราก็เป็นมิตรกันสบายใจได้เลยรับรองหมู่หลวงพ่อไปหลอกไม่หลงโยงขอให้ปฏิบัติตามคำที่สอนที่สั่งนี่สติต้องกไป <c oughs> โปรดสุดเคลื่อนไหวอะไรที่ใจมันคิดรู้ทันนัน